ก็ความในอิติปุตตะต่อนะครับชาคาริยศนะครับว่าด้วยผู้ตื่นอยู่มีผล2อย่างนะชาคริยานี่แค่ไหนจึงเรียกว่าตื่นนะครับมาดูว่าแค่ไหนชาช่างเรียกว่าชาคริยานุโยกไม่ไม่หลับไม่นอนหรือ ย, อยังไงนะครับขอบเขตมันแค่ไหนหรือว่านั่งสับประงกอย่างเดียวทั้งคืนเนี่ยชื่อว่าไม่หลับไม่นอนเรียกว่าชาคริยานุโยกหรือเปล่านะครับหรือว่าเดินแล้วอุทจกตําเริบ์ทั้งวันเป็นต้นนะครับ จรงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผ้าอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกอรพิสูจนทั้งหลายก็ภิกษุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องเตือนมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสและพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแก่กาละในการประกอบกรรมฐานนั้นเนืองเนืองเถิด ดูการพิกษุทั้งหลายเมื่อพิกษุมีความเพียรเป็นเครื่องเตือนมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสเห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแก่การละในการประกอบกรรมฐานนั้นเนืองๆพึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุ ป, ปาทานเหลืออยู่ความเป็นพระอนาคามี พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเธอทั้งหลายตื่นอยู่จงฟังคํานี้เธอเหล่าใดผู้หลับแล้วเธอเหล่านั้นจงตื่นปลุกเลยนะตื่นเความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณอันประเสริฐเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานและผ่องใส พิจารณาธรรมะอยู่โดยชอบโดยกาละอันควรผู้นั้นมีสมาธิเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นแล้วนะครับพึงกำจัดความมืดเสียได้เพราะเหตุนั้นแลพิกษุพึงครบธรรมะเครื่องเป็นผู้ตื่นภิกษุผู้มีความเพียรมีปัญญาเครื่องรักษาตนมีปกติได้ฌานตัดกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราได้แล้ว พึงถูกต้องยานอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แลเนื้อความแม่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แลนะครับย้ำว่าพระสูตรบอกว่าพิสุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใส และพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแก่กาละในการประกอบกรรมฐานนั้นเนืองๆเถิเนเดนะครับแล้วก็จะหวังผลได้สองอย่างคืออรหันต์หรือเป็นพระอนาคามีนะครับเพราะฉะนั้นอัจฉกถาอธิบายในบทว่าชาคารชาคารตืรนเนี่ยนะครับได้แก่เป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นคือปราศจากความหลับประกอบความเพียรขวนขวายในการมณติก การกรรมฐานตลอดคืนและวันอ๋อไอ้นอนก็ไม่นอนด้วยนะครับแต่ตื่นก็ตื่นด้วยการกรรมฐานนะครับตื่นจิตเป็นไปกับกรรมฐานไม่ใช่ว่าตื่นแล้วนั่งดูทีวีได้ทั้งวันทั้งคืนนี่งไงไม่ใช่นะครับ ค, ความเพียร น, นี่หมายถึงว่าความเพียรสี่อย่างนัน ะ, น, นะครับสามัคคีานนั่นแหละครับแต่แต่ว่าชาคริยานุโยคเนี่ยเน้นเน้นว่าไม่หลับอย่างหนึ่งก่อนนะไม่หลับแล้วตื่นด้วยความเพียร น, นะครับ สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุในศาสนานี้ชำระจิตจากอวรรียธรรมธรรมะเครื่องกลางกั้นหมายถึงนิวร์ด้วยการนั่งจงกรมตลอดวันชำระจิตจากอวรรียธรรมด้วยการนั่งจงกรมตลอดปฐมมยามของราตรีสำเร็จศีหาสายาโดยข้างเบื้องขวาตลอดมชิมยามของราตรีมีสติสัมปชัญญะด้วยการทับเท้า ด้วยเท้ามณสิกาถึงอุทานสัญญาคือความสาคัญในการลุกขึ้นนะครับคือหมายเขาว่าตั้งนาิกาปลุกก่อนนะครับแล้วชวรนะจิตจากอวรนิยธรรมด้วยการลุกขึ้นนั่งจงกรมตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีอย่างนี้พิสูจนชื่อว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดราตรีต้นและราตรีปลายสรุปแล้วนะครับบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นหกยาม 24หาร6เท่าไรครับก็เท่ากับช่วงละ4ี่ชั่วโมงใช่ไหมครับ6 4 2ี่ใช่ไหมครับก็เจริญกรรมฐานเสรรร 5, 5, 4, ียห้าห้านะครับี่ชั่วโมง5ครั้งก็เท่ากับปฏิบัติอยู่20ชั่วโมงหลับสี่ชั่วโมงนะครับแต่ใน20ชั่วโมงนี่ที่ตื่นนี่ก็ตื่นกับกรรมฐานอย่างเดียวนะครับจิตเป็นไปกับกรรมฐานอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคนที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างที่ว่านี่นะครับจะต้องความรู้อย่างเพียงพอจริงๆเพราะโดยทั่วๆไปเนี่ยคนนั่งเดินยืนนั่งเดินยืนเนี่ยนะครับหลับสีชั่วโมงเนี่ยฟุ้งซ่านตายนะครับโดยธรรมดาเนี่ยนะอุทะจะทำเริ่บแน่นะครับถ้าความรู้ไม่เพียงพอที่จะข่มอุท ธ, ธรรกักกุกุจจานิโวนได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะภาคเพียรประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีคําสอนด้านอื่นๆอีกนะครับ ยกตัวอย่างนะครับถ้าธรรมชาคริยานุโยกอยู่ธรรมะในกลุ่มจารณะ15าจารณะ15นั้นประกอบไปด้วย1ศสีและสังวร2ออินทร์สังวร3โภชเนะมะตันยุตาสชาคริยานุโยก5ศรัทธา 6, หฮิริ7โอตัปปะแล้วก็วิริยะสติปัญญาแล้วก็สุตาะด้วยนะครับแล้วก็ฌานอีก4นะครับทีนี้ชาคริยานุโยกนี่อยู่ข้อที่4นะครับ ข้อที่สีได้แก่ชาคริยานุโยกก่อนที่จะมาถึงชาคริยานุโยกก็คือโพชเนมัตันยุตาหรือสันโดษทั้งหลายนั่นเองนะครับสันโดษ12นั่นเองนะครับสรุปมันนะทีนี้ก่อนที่จะมีโภชเนมัตันยุตานี i ก็ต้องมีอินทรีย์สังวรคนที่มีอินทรีย์สังวรแสดงว่ามีศีลคนมีศีลแสดงว่ามีหิริโอตปะคุณธรรมรองรับกุศลธรรมเหล่านั้นนั้นอย่างมหาศาลนะครับ แต่ถ้ามีคุณธรรมอย่างที่กล่าวแล้วนะครับจะยืนจะตื่นไม่หลับไม่นอนนะครับหรือว่าจะนอนแค่วันละสีชั่วโมงตามคำภีก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าคุณธรรมด้านอื่นๆรองรับอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าความรู้ไม่เพียงพอนะครับปฏิบัติแบบนั้นท่านจะทำได้ประมาณอาทิตย์เดียวนะครับหลังจากนั้นจะฟุ้งอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระหลายๆองค์ที่เจริญกรรมฐานแบบนี้ใหม่ๆมันก็สงบดีหรอครับ พอไปนานๆเข้าเนี่ยนะถามเถอะท่านนั่งก็มาถามเนี่ยนั่งคิดอะไรดูไหมถ้าพวกซื้อที่จะคิดเรื่องที่นะครับพวกฟางกุฏิจะคิดเรื่องกุฏินะครับพวกเรื่องบริหารจะคิดเรื่องบริหารพวกนักทุดงทั้งหลายแหละก็คิดถึงป่านู้นป่านี่นะครับคิดถึงเพื่อนคนนั้นนะครับทางความคิดอนะไปคุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้ทีไปเจอคนนั้นจะไปคุยอะไรกับเขาบ้างเป็นต้นนะครับไม่ได้อยู่กันเนื้อกับตัวอะไรเท่าไหร่นะครับเคยอาจาย์บอกว่า ถ้ามันจะสงบเนี่ยมันจะสงบเฉพาะในช่วงใหม่ๆ ใ, ใช่ไหมครับเราก็เลยว่าเออเราไปอยู่สักอาทิตย์หนึง่งเราสงบอย่างนี้ใช่ัห ม, <า>มเออมันเริ่มฟุ้งซะแล้วเราก็เปลี่ยนที่ไปหาที่ใหม่เพื่อวันสงบอีกอาทิตย์หนึง่งมันเริ่มฟุ้งละเราก็กเปลี่ยนที่ไปที่ใหม่เลยอ่ะคือไอ้ที่สงบเนี่ยนะครับใหม่ๆสงบนี่นะครับที่ผมหมายว่าพระที่มาทําใหม่ๆสงบนี่หมายคมายว่าเหมือนกับนักท่องเที่ยวนะครับคนที่มีงานเยอะๆเนี่ยนะ เวลาไปเที่ยวไปเลีกเล่นเที่ยวตามป่าตามเขาเที่ยวทะเลมันสบายอย่างนั้นจริงๆนะครับอาทิตย์แรกนะแต่อาทิตย์ที่สองไปเที่ยวไหนก็ไม่สนุกแล้วนะครับมันคิดถึงงานเหมือนเดิมนี่นะครับถึงจะไปที่ไหนก็ไม่ได้แก้อะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่พระที่ไม่ได้เจริญตามหลักจารณธรรมเนี่ยนะครับคือไม่หาคุณธรรมอื่นๆมารองรับก็จะอยู่ได้เท่านั้นแหละครับนีบ่นะ คือพ่ออะไรครับหนึ่งศีลก็ไม่ค่อยดีอินทรีย์สั้งวรก็ไม่ได้สติสัมปชัญญะก็ไม่บริบูรณ์นะครับโยนิโสมนัสิการอะไรไม่มีสักอย่างเลยนะทีนี้มันก็อย่างว่าก็ได้แต่เปลี่ยนที่ก็กลายเป็นนักท่องเที่ยวดีๆนี่เองนะครับครับเกียรติสุโมดบอกว่าต้องตัดใบโพธิอันนี้คํานี้พูดง่ายแต่ทํายากนะครับอาจะลองว่าวิธีที่จะตัดเนีย่ยไปตัดยังไง คือปริโพเ์ทั้งหลายที่จะตัดได้จริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งกระต้นแล้วคนที่จะตัดปริพเทนั้นแสดงว่าเขาพร้อมที่จะเจริญสมถะนะครับก็แสดงว่าก่อนหน้านี้จะตุดปริสุทธิศีลก็ดีอยู่แล้วนะครับคนที่ศีลดีก็ต้องมีคุณธรรมด้านอื่นๆเช่นความเป็นปางหูสูตร ร, รับอยู่แล้วจึงจะสามารถทศีลให้ดีได้ทีนี้พอจะมาตัดปริพเทก็คือคนที่เป็นปางหูสูตรเขาจะพิจารณานะครับ นี่เราบวชมาคลุกคลีใช่ไหมบวชมาเพื่อติดพันในญาติเป็นต้นใช่ไหมก็ต้องหาวิธีตัดกังวลนะครับเช่นตัดกังวลนี่เราบวชมาหาความเป็นครูอาจารย์ใช่ไหมบวชมาเอากุฏิหรือไงบวชจะมาเป็นเจ้าวาดเหรอเป็นต้นนะครับก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ทุกแง่ทุกมุมนะครับก็เรียกว่าจึงจะตัดปริโภทอดออกได้นะครับก็ต้องลักษณะนั้นจึงจะได้จึงจะตัดปริโภทอดได้หมายถึงดีอยู่แล้วนะครับ แม้แต่การรักษาศีลเนี่ยคนที่จะรักษาศีลได้บริบูรณ์ก็ต้องตัดบริโภค ร, ระดับหนึ่งออกได้เช่นตัดความผูกพันทางครอบครัวออกไปตัดความพลุกคลีที่ไม่สมควรออกไปตัดเหตุปัจจัยให้ทำอเนสนากรรมออกไปจึงจะรักษาจตุ ป, ปริสุตรที่ศีลได้ก็ตัดบ่วงได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าจะเจริญส ม, มะถะก็ต้องพิจารณาโทษของกามนะบ่วงชั้นละเอียดเข้าไปอีกนะครับถ้าจะเจริญ วิปั ส, สนาก็ต้องหมั่นพิจารณาโทษของ ส, สังสารวัฏจึงจะเจริญได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะรักษาสศีลเนี่ยเห็นโทษในอบายคนที่จะเจริญสมถะเห็นโทษในกามคนที่จะเจริญวิปั ส, สนาคือคนที่เห็นโทษในวัตฏะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโทษทั้ง3ประการนี้ได้ก็จะสามารถเจริญงอกงามในสิก ข, ขาเหล่านี้ได้นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งครับคนที่จะรักษาสศีลได้คือคนที่เห็นภายในอบายจริงๆ เพราะว่าศีนี่เป็นคุณธรรมเพื่อกําจัดอบายคนที่จะเจริญส ม, มถะได้อย่างดีคือคนที่เห็นโทษในกามคนที่จะเจริญวิปัสนาได้อย่างได้ผลคือเห็นคือคนที่เห็นภายในวัตตะนะครับอันนี้โดยอาศัยะของเขานีโดยอัธยาศัยต้องเป็นอย่างนั้นจึงจักเจริญคุณธรรมเหล่านั้นได้แต่ทีนี้ถ้าอ า, อาศัยะอันนั้นไม่มีก็ควรหาปัจจัยเพื่อสร้างอาศัยะคืออัธยาศัยอันนั้นขึ้นให้ได้นะครั บ, นะรบต้อง เช่นการคบบุคคลผู้มีคุณธรรมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมีศีลเป็นต้นะนะก็เกี่ยวข้องท่านเกี่ยวข้องกับท่านก็ทำให้อายะคือทิฐิเราจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเภทสัมมาทิฏฐินะครับจะศัพท์นี้เป็นสัมปินตนัฐะมีอัตวารวบรวมเมื่อพูดตั้งร้อยเป็นต้นย่อมประมวลด้วยจะศัพท์นะครับด้วยด้วยด้วยและและแล ะ, และเนี่ยนะนันภาษาบาลีใช้คาว่าจะนะครับเช่น อาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะจะเสวนานะครับปูชาจะปูชนียานังการไม่คบคนพาลด้วยการครบบัณฑิตด้วยการบูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยที่จริงอ่ะนะก็คือและอ่ะนะและนั่นเองอ่ะนะการไม่คบคนพาลและการเสพบัณฑิตและการบูชาคนที่ควรบูชา ทั้งหมดที่กล่าวนั้นน่ะชื่อว่าเป็นอุดมมงคลนะครับจะเนี่ยบินธนามนรวบรวมมานะครับคือและเละละหลายๆเรื่องอะนะหลายๆคือคือหลายๆข้อความที่เชื่อมกันเนี่ยจะใช้คำว่าและภาษาบาลีเขาใช้คำว่าจะนะครับอาจารย์ปราโมทด้วยอาจารย์สมชายด้วยท่านปีจาด้วยอย่างเงี้ยทั้งทั้งหมดเนี่ยนะนิมนต์ไปกินนิมนต์นะอย่างเงี้ยนะละเนี่ยนะครับด้วยเนี่ยจะสับรวบรวมอย่างเงี้ยะครับแต่ว่าโดยสำนวนไทยๆเนี่ยจะไม่ค่อยแปลนะครับ สัมเนลไทยเนี่ยนะจะไปและคําสุดท้ายสับเดียวถ้าเป็นไทยๆนะเช่นอาจารย์ปราโมทอาจารย์สมชายและท่านปีชาอย่างเงี้ยนะจะไปและตอนท้ายนะครับลักษณะนี้แต่บาลีเขาไม่ค่อยขี้เกียจละนะครับเขาจและตลอดเลยนะจำนวนบาลีเขาไม่ขี้เกียจนะครับแต่ไทยนี่ก็สมทบให้ย่อไปสุดๆนะครับแต่ก็จนหนักๆเข้ารู้กันว่างั้นเถอะ บดว่าสโตสโตที่ว่ามีสติเนี่ยนะมีสติโดยไม่อยู่ปราศจากสติด้วยไม่ละกรรมฐานในที่ทั้งปวงและโดยกาละทั้งปวงนั้นคนมีสติก็คือคนบริหารกรรมฐานอยู่ต่อไปได้นะครับเช่นไปไหนก็มีแต่พุทธานุสติไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับไปไหนก็มีธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเป็นต้นเนี่ยนะหรือไปไหนก็ปรารบแต่กายเวทนาจิตธรรมที่เป็นกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยนะครลักษณะนั้นเรียกว่าคนมีสติ บทว่าสัมปชาโนได้แก่มีสัมปชัญญะด้วยอํานาจแห่งสัมปชัญญะสี่อย่างอันเป็นไปในฐานะของสัตว์ใช่ไหมพูดว่าไงนะีบาลีว่าไงครับ uh, สัมปชาโนได้แก่มีสัมปชัญญะด้วยอํานาจแห่งสัมปชัญญะสี่อย่างอันเป็นไปในฐานะของสัตว์นี่บาลีว่าไงครั บ, บอ๋อแปลผิดถนัดเลยนะครับแปลผิดมากตรงนี้ มีสติสัมปชัญญะด้วยอำนาจแห่งสัมปชัญญะสี่ในฐานะเจ็ดนะครับสัตตะตัวนั้นแปลว่าเจ็ดนะครับไม่ได้แปลว่าสัตว์นะครับนี่แปลผิดมากเลยนะนนนถ้าถ้าเป็นไปในฐานะของสัตว์นี่แย่เ yeah. สียหายมากเขาบอกว่ามีสัมปชัญญะด้วยอำนาจแห่งสัมปชัญญะสี่มีหนึ่งศาสกะสัมปชัญญะสอง ส ป, ปายะสัมปัญญา 3. โคจระสัมปัญญา 4. อาสัมโมหะสัมปัญญาในฐานะเจคือในเรื่อง7เรื่องในเหตุ7หนึ่งการก้าวไปการถอยกลับ 2. การแลการเหลียว 3. คูเข้าเหยียดออก 4. การนุ่งการห่มเป็นต้นนะการกินดื่มเคี้ยวลิ้ม 6. การถ่ายอุจจาระปัสสาวะ7การยืนเดินนั่งนอนพูดหลับตื่นนิ่งนะครับพวกนี้นะครับฐานะเจนะครับ บทว่าสมาฮิโตได้แก่มีจิตตั้งมั่นคือมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินะครับคือให้จิตเนี่ยเป็นเอกะขะตานะครับจิตที่เป็นเอกะขะตานั้นเป็นไปกับอุปจาระและอัปปนาสมาธิตามสมควรแก่อารมณ์ที่เจริญนะครับคือมีสติสัมปชัญญะไม่ทิ้งกรรมฐานแล้วก็มีสัมปชัญญะ4ในฐานะเจ มีจิตตั้งมั่นด้วยอุปจาระและอัปปนาสมาธินะครับบทว่าปะมุที่โตได้แก่เบิกบานคือมากด้วยความปราโมทครับเบิกบานในที่นี้เป็นชื่อของปราโมทเพราะเห็นอนิสง์ของการปฏิบัติและเห็นการปรารบความเพียรไม่เป็นโมฆะด้วยการบรรลุความวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปคือเมื่อมีสติสัมปชัญญะและมีจิตตั้งมั่นเนี่ยก็จะเบิกบานไปเรื่อยทำไมจึงเบิกบานครับเพราะ เห็นอานิสงส์อง์การปฏิบัติว่าเออเนี่การปฏิบัตินี่มันทําให้พ้นทุกข์นะนะเหมือนคนที่จะเดินทางถูกนะครับเช่นคนหลงทางเนี่ยนะพอรู้ว่าตัวเองเดินทางถูกใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปก็จะปลื้มไปเรื่อยนะปราโมทไปเรื่อยบันเทิงใจไปเรื่อยมาเยิ้มอิ่มใจไปด้วยนะครับแล้วโอ้โหการปฏิบัติที่ทํามาเนี่ยไม่ผิดไม่พลาดแน่นอนนะครับมันเห็นทางอยู่รายๆายมาเห็นอ่ะเห็นอยู่รายๆเนี่นะครับยิ้มเรื่อยๆนะครับ คนอดอยากหิวโหยเนี่ยนะครับจะถึงจุดหมายปลายทางก็ยิ่งยิ้มไปเรื่อยๆนะครับบทว่าวิปสัสสโนได้แก่พองใสด้วยดีเพราะเป็นผู้มากด้วยศรัทธาในสิกขาอันเป็นข้อปฏิบัติจากความเบิกบานนั้นและในพระศาสนาของผู้ทรงข้อปฏิบัตินะครับคือคือหมายคำว่ายิ่งปราโมทเข้าใจก็จะพองใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยมากขึ้นนะครับ ศรัทธาในศิกขาคืออศิกขาสามที่บําเพ็ญเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือคนที่เจริญชาคริยานุโยคถูกต้องนะครับคนที่เจริญชาคริยานุโยคเนี่ยแต่ ว, ว่าที่บอกประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเนี่ยนะครับพอตื่นแล้วก็ตื่นด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิแล้วก็ถ้าปฏิบัติถูกจะต้องมีปราโมทย์แล้วก็ ผ่องใสนะปราโมทก็คือปีติมากขึ้นศรัทธามากขึ้นนะถ้าปฏิบัติถูกนะครับแต่ถ้าหากว่าปราโมทไม่เกิดเลยศรัทธาลดลงนี่แสดงว่าให้ทบทวนวิธีการเป็นต้นนะครับทบทวนข้อปฏิบัติทบทวนวิธีการนะคะเหมือนช่างซ่อมเครื่องวิทยุเป็นต้นเนี่ยนะซ่อมแล้วมันไม่ดังก็ตรวจสอบใหม่รอบแล้วรอบเล่าอยู่อย่างนี้แหละครับ บอว่าตถกากรวิปัสสีจักุสเลสุทำเมสุได้แก่เห็นแจ้งในกาละนั้นหรือเห็นแจ้งสมควรแก่กาละในการประกอบกรรมฐานนั้นถามว่ า, าท่านอธิบายไว้อย่างไรตอบว่าภิกษุเริ่มตั้งวิปัสนาแล้วพิจารณาด้วยการพิจารณา เ, เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะพิจารณากลาปะนะครับเวนอส ป, ปายะเจมีอาวาสเป็นต้นนะครับคือความไม่เจริญกุศลไม่ราบรื่นเนี่ยนะ จะบอกว่าอสปายะคือที่ที่มันเจริญกุศลไม่ราบรื่นนะนะเช่นที่อยู่และเจริญกุศลไม่ราบรื่นหรือว่าเพื่อนทั้งหลายบุคคลบุคคลที่ไม่สปายะก็เว้นซะนะครับเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นที่ไม่สปายะก็เว้นซ ะ, ะแล้วก็อุตุที่ไม่สปายะก็หลีกเลี่ยงเป็นต้นนะครับแล้วเสพส ป, ปายะธรรมไม่ถึงความสิ้นสุดลงในระหว่างคือไม่เลิกในระหว่างมีตนส่งไปแล้ว กำหนดอาการที่จิตตั้งมั่นประพฤติอนิจจานุปัสนาเป็นต้นในลำดับโดยเคารพพึงเป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่การในการนั้นๆหรือในการประกอบกรรมฐานนั้นอย่างนี้คือในกาลใดวิปัสนาจิตหดหูในการนั้นพึงเห็นแจ้งด้วยโพชฌงมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงและปีติสัมโพชฌงในกาลใด จิตฟุ้งซ่านในกาลนั้นเนี่ยนะครับพึงเห็นแจ้งในธรรมะคือโพชฌงอันหาโทษไม่ได้เป็นกุศลได้แก่ปัสสัต ท, ที่สัมโพชฌงสมาธิสมโพชฌงและอุเบกขาสัมโพชฌงแต่สติสัมโพชฌงพึงปราถนาะในทุกๆ ก, กาลทีเดียวสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสตินจะขวาหัางพิขเวสัพพทกังวดามิดูก่อนพิสูนทั้งหลาย เรากล่าวว่าสติจำต้องปราถนาในที่ทั้งปวงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นสเสด็จทรงแสดงถึงความเพียรเป็นเครื่องตื่นด้วยเทศนาอันเป็นปุคลาที่ฐานแล้วจึงทรงประกาศธรรมะอันมีการประกอบความเป็นเครื่องตื่นโดยสมบูรณ์นะครับเรียก ว, ว่าแสดงคำ น, นะยกคำว่าตื่นขึ้นมาแต่คำว่าตื่นในที่นี้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองนะครับ ะ น, นะสรุปคือเป็นผู้มีความตื่นตื่นด้วยอำนาจของกรรมฐานนะครับคือโดยปล่อยวันคืนเนี่ยครับรวัยี่สสี่ชั่วโมงก็หลับซะสี่ชั่วโมงนะครับอีกยี่สิบชั่วโมงก็เป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาครับมีสติมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินะครับมีปราโมทนะครับแล้วก็มีศรัทธามากขึ้นหลังจากนั้นก็พิจารณาถึง พิจารณาเป็นกลุ่มเป็นก้อนในที่นี้คือหมายพิจารณากราปะนะครับหมายถึงสัมมาสาาัญาณคำว่ากลุ่มก้อนเนี่ยนะครับกลุ่มอะไรเช่นรูปปัจขันเนี่ยนะครับรูปปัจขันก็แบ่งกลุ่มทั้งที่ทเป็นอดีตกลุ่มที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันเป็นภายในเป็นภายนอกยาละเอียดเลวประณีตเป็นต้นเนี่ยนะครับเกิดการไข้ครวญในสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่นะครับไข้ค ร, ครวญพิจารณานะครับสัมมสนญาณดูวิธีการพิจารณาแบบวิสุทธิมัชนะครับ พิจารณาอย่างนั้นอย่างบ่มากแล้วก็เว้นอสั ป, ปายะ7แล้วเสพส ป, ปายะ7นะครับแล้วก็สาตัดจากริยาทาไม่เลิกในระหว่างแล้วก็ส่งตนไปเจริญอนุปัสสนาทั้งหลายโดยเคารพทนี้เวลาเจริญไปเนี่ยถ้าใจหดหูท้อแท้เนี่ยนะก็เจริญธรรมะวิจยาสามโพชงวิริยะและปีติทจิตฟุง้งซ่านก็เจริญปัสสัตที่สมาธิและอุเบคานะครับ ด้วยอำนาจของสติสัมโพชงนะครับสติสัมโพชงนั้นเป็นตัววิทนิชัยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสมควรแต่การเตื่นอย่างถูกต้องนะ